บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุรชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องมารคือผู้ล้างผลาญผู้ทำลายผู้ขัดขวางผู้เป็นลุกประศัท์ในชีวิตของบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้เป็นห้าประเภทดังกล่าวมาแล้วนั้น ชนสาวชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามีมารที่มาจากข้างนอกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นคือเตวุตมานที่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนบุคคลทั้งหลายถ้าเราเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันแล้วก็คือคนผ่านนั้นเองแต่ก็จริงแล้วคนผ่านเหล่านั้น แต่เราไม่มีเกี่ยวข้องกัผ่านสมาคมกับเขาไปร่วมหลักความคิดรูปกิจกรรมรูปผลประโยชนกับเขาก็าจะเป็นการการต่างคนต่างจู่คือคนผ่านเขาเป็นเรื่องคนผ่านไปส่วนเราก็เป็นเรื่องของเราไปความเป็นผ่านยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราไฟอันตรายก็จะไม่เกิดขึ้น แต่มารที่เป็นคนข้างนอกจริงๆแม้เราจะไปเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามแต่ความเป็นพานของบุคคลเหล่านั้นก็จะมากลายเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดกรอนข่ม ข, ขู่คุกคามทาความเดือดร้อนมาใ้แก่เราได้แตในกรณีนี้แนวความคิดทางหลักของศาสนา แล้วก็สอนเอาไว้ให้มีความอดกลั้นอดทนต่อการประพฤติการกระทําของบุคคลเหลานั้นอย่าหลักที่ส่งสอนไว้ว่าให้เอาชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราชนะคนโกโรธดร้วยความโกโรธดร้วยความไม่โกโรธชนะคนสนีทด้วยการให้ ชนะคนพูดจาหลอกและโดยการกล่าวคงสัตย์คำจริงซึ่งเป็นวิธีการสลายความชัวม่วที่เกิดขึ้นแก่ใจเราในขณะนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกิดขึ้นที่เขามาก่อนเป็นการเพิ่มพูนปริมาณกุศลเพื่อลดความรุนแรงที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้น แต่ลักษณะเหล่านี้อย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าเสด็จไปทรมานอลอกยักษ์เริ่มต้นด้วยความรุนแรงที่อรลกยักษ์ได้คุมขู่กุก ข, ขามมุ่งประทุษร้ายพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการหนักๆแต่มันจะทํำยังไงก็ตามพระเจ้าก็อดกลั้นอดทนไม่แสดงอาการโต้ตอบไม่แสดงการหวั่นไหวหรือหวาดกลัวแต่ประการใด แต่เมื่อมารเปลี่ยนวิธีบังคับให้พระพุทธเจ้าลุกขึ้นจากที่ประทับนั่งก็เสด็จลุกขึ้นบังคับให้กลับไปนั่งก็เสด็จไปนั่งจดมารรู้สึกขนองที่เห็นว่าสามารถบังคับโกกุมได้ก็สั่งให้ลุกมาอีกแต่พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลที่แจ้งให้เกิดความเข้าใจว่า แต่นั่งตอนแรกเป็นการนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเิจารณ์ของก็บอกให้เลิกให้ลุกขึ้นมาก็ต้องลุกขึ้นแต่การนั่งครั้งที่สองนั้นเป็นการนั่งตามการอนุญาตของเจ้าของแต่ทันทีพระองค์ก็ไม่ลุกขึ้นเป็นวิธีการที่ค่อยๆตัดรอนความรุนแรงที่มีอยู่ภายในใจของควายตรงกันข้ามให้ลดลงไป จนอยู่ในวิสัยที่จะพูดจาที่แจ้งกันได้ปัญหาที่เลวร้ายหรือมีข้าวจะเลวร้ายมันก็ยุติลงไปได้แต่มานประเภทที่เป็นเทพบุตรมารจริงๆคือตามปกติแล้วสามัญชนทั่วไปเนี่ยจะไม่เจอเทพบุตรในลักษณะนีน้ในประวัติของพระยาบุคคลก็ดีพระพุทธเจ้า ก, ก็ดี ตอนที่ไปเจอกเ ท, เทวปุตตมานที่เป็นจริงๆคือเป็นเทวดาจริงๆนั้นจะมาเจอเมื่อท่านเริ่มตั้งความเพียรในลักษณะเอาจริงก็จังเพราะนั้นปยมานที่มาประจรุพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เพียงสองช่วงแต่นั้นเองระยะเวลาหปีช่วงแรกเป็นช่วงที่ตัดสินพระไทยเด็ดเดียวที่จะเสด็จออกพัดหนวด พญามารก็กลัวว่าจะดุดรอดจากอํานาจของตนไปก็มาห้ามปรามล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆพญามารที่มาในลักษณะนี้ส่วนมากแล้วจะมาในรูปพระลาวพลาโหมด้วยความโลภคือมีวัตถุกรรมไปเครื่องล่อเพืจะดุ้หน้าวจิตใจของบุคคลให้อ่อนไหวไปตามอำนาจวัตถุเหล่านั้นอย่างที่น้มน้าวพระไท่ของพระโพธิสัตว์ในตอนแรกก็น้อมน้าวด้วยราชสมบัติ ของพระเจ้าจากักรพรรดิที่จะเป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งหลายจากความเป็นใหญ่เหล่านี้ความสมบูรณ์ผูนสุขในด้านต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลหวั่นไหวมีควดมการแน่วแน่มั่นคงที่จะประพฤติกจกระทําให้ได้แต่มองเห็นวัตถุ ก, กรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไร ไม่เราจะครอบครองมีความยิ่งใหญ่เหนืออำนาจนะที่เหล่านั้นก็ตามแต่ในสุดเราก็อยู่กับเขาตลอดไปไม่ได้เราก็ต้องตายไปสมบัติเหล่านั้นก็กลายเป็นของสาธารณนากแก่บุคคลทั้งหลายเป็นไปในลักษณะสมบัติที่ผัดกันเฉยชมอยู่ในมือใครคนนั้นก็เป็นเจ้าของครอบครองก็ใช้ประโยชน์ไปแล้วก็เปลี่ยนมือไปเรืเร่อย ซึงเป็นสิ่งที่สามารถคิดได้มองได้และก็นึกเทียบเคียงได้ณจุดนี้จึงเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงถึงทางเลือกสองทางที่จะเอาจะเอาทางไหนและด้วยปริมาณของปัญญานั้นเองเมื่อวิเคราะห์ตรวจสอบไปแล้วก็เห็นโทษของวัตถุกรรมทั้งหลายตลอดถึงโทษของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เพราะในขณะที่เป็นทางมาของลาบยดทื่เสียงความสรนเสริญยกจ้องนั้นก็เป็นทางมาของการเสริมลาบเสริมยดทูกรรตัดสิทธิจิตอาจะเป็นปัใจจัยให้ต้องกระทำบาปกิจเป็นอันมากเพราะความเป็นเหล่านั้นเป็นเหตุแต่แนวคิดเหล่านี้ปริมาณปัญญาจะต้องมากจะต้องลดความโลภความโกรธลงไปได้พอสมควรถึงจะคิดเห็นได้ แต่ถ้ารามองถึงพื้นฐานในด้านประทัยของพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าแนวความคิดตัวนี้มีอยู่ตลอดในสมัยที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่จากเรื่องราวจากดกต่างๆคือจะเสียสลัประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่มีผลประโยชน์กระจายมากกว่าจะมีผลยั่งยืนมากกว่าสืบพบสืบชาติได้แต่เรียกว่าเป็นบารมีธรรม พยามารมาระจญพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ตัดสินประไทยอธิษฐานประทับนั่งภายใต้ต้นประศรีมาโปเพราะแม้เลือดเลือดเนื้อในกายเราจะเกิดแท่งไปอย่างเลือดแต่นังงอินกระโดด ก, ก็ตามถ้าไม่จัดสรู้ก็จะไม่ลุกขึ้นจากสถานที่นี้เพราะจริงเห็นจุดจุดสองจุดว่า พยามาลประเภทเทวปุตตมานจะปรากฏก็ต่อเมื่อบุคคลตั้งสัตยาธิฐานในหลักฐานที่มั่นคงเอาจริงเอาจังแต่ก็ต้องเห็นว่าระบมั่นคงจริงก่อนถ้ตามปกติแล้วการตั้งสัตยาธิฐานเนือสัจจะธิฐานเือสัจจะปฏิญาเนือสัจจะปฏิญญาก็ตามคนชอบตั้ง เพื่อจะแสดงสถานะของตนเองว่าเป็นผู้ควรแก่การเชื่อถือยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายจะมีเป็นไม่น้อยที่เป็นการตั้งโดยความโลภต้องการการยอมรับนักถือดังกล่าวทําให้เราพบ ว, ว่าการตั้งสัจจาทิฏฐานหรือสัจจปะปฏิญญาหรือสัจจปฏิญญาตามที่ตั้งตั้งกันไว้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะทําไม่ได้ หากทำได้ก็จะทำได้เป็นช่วงสั้นๆแต่ช่วงย า, ยาวๆจะทำไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้มานก็ไม่จำเป็นจะต้องประกฏเพราะเรากพ็พ่ายแ พ, ยพย้ตอบนาทั้งกิเลสอยู่แล้วและเมื่อมองดูถึงด้านระดับจิตอีกครั้งหนึ่งคืออาการของจิตทุกท่านจะมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอกับอารมณ์ในลักษณะนี้กันอยู่ มีเป็นนั้นมากที่เราตั้งใจจะทำจากนี้อย่างนั้นแต่ก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นแทรกซ้อนประลา้าปะโลมโอบกอาใจเสนอแนะในทางที่คล้ายๆจะเป็นประโยชน์แกเราส่วนมากแล้วใจิตใจของบุคคลจะอ่อนไหวในสุดก็จะละทิ้งสัจจะปฏิญาณเหล่านั้น เอาไวตา้ตามคล้อยตามอำนาจของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นรุมรุ ม, รมใจแต่เนื่องจากปรากฏในรูปประลาพลงเป็นรูปของกิเลสประเภทโลภะประเภทโธตัประเภทราคะกิเลสประเภทนี้ไม่มีลักษณะรุนแรงและคนจะไหวตามคล้อยตามได้ง่ายจึงไม่รู้สึกว่าเป็นการผิดปกติแต่ประการใดแต่เมื่อพ่แพ้ไปบ่อ ย, ย, ยข้าวในสุดจิตก็จะหล่อแหละคือไป ม, มั่นคง ตั้งสัจจะปฏิญญาอะไรเอาไว้หรือให้สัตว์บาจอะไรกับใครไว้แล้วก็จริงก็ไม่รับผิดชอบในเรื่องเหล่านั้นเรากลายเป็นการหลอแหละอ่อนไหวไปตามอนาจของอารมณ์จนบางครั้งตาตุประมาเหมือนก็ทงอยู่ปลายเสารหรือไม้หลักปักโครนที่ใจลักษณะ น, นี้กลายเป็นจิตที่ไม่ตั้งมัน่นแพ้แพ้ต่ออำนาจของกิเลสมัน จะไม่จำเป็นที่มัจจุมาช ท, ที่เทวพุตมานจะปรากฏอะไรออกมามารเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่ท่านที่เจริญกรรมฐานอย่างจริงจั ง, จงแล้วตอนมีข่าวว่าจะได้รับผลมาในรูปเทวพุทตตานก็จะปรากฏขึ้นแต่เนื่องจากมารนั้นเป็นกลุ่มของอวิชชาไม่ว่าจะเป็นมารในลักษณะดใดก็ตาม อยู่ในกลุ่มของวิชาคือเราไม่รู้ความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงที่ปรากฏขึ้นเป็นกระบวนการเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องถึงกันพันตะปัญญาเกิดขึ้ น, นพิจารณาได้คือสามารถชำ่แรกอำนาจของมานที่ปรากฏในลักษณะนั้นให้มีอิทธิพลความรุนแรงลดลงไปได้โดยจำกัก ในกรณีของกิเลสมานที่พระเจ้าทรงสอนโดยนิยาต่างๆเช่นสอนกิเลสสายโลภะให้มองเห็นว่าเหมือนกับเราตกเป็นหนี้เป็นศิลคนอื่นจึงจะต้องตามชดใช้ตลอดไปความเป็นอิสระภายในใจมันก็เกิดขึ้นไม่ได้วันเวลาก็มีเตือนหนี้จะต้องชดใช้ แต่ที่จะได้ความสุขเราก็กลับไปความทุกข์เป็นการขัดแยง้งกับความรู้สึกต้องการที่เป็นพื้นฐานจริงๆว่าเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าความคิดประมาณนั้นได้เสริมสร้างส่วนที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์มากกว่าส่วนที่เป็นเหตุแห่งความสุขความรู้ก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตระหนของใจที่ข่อยคว้าปรารถนาด้วยแรงกิเลสสายโลภะคือกิเลสประเภทคว้า แต่ได้อยากมีอยากเป็นด้วยประการต่างๆนั้นในที่สุดแล้วก็หาจุดจบไม่ได้าเมื่อไรจะพอเมื่อไรจะหยุดเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะเป็นอิสระแก่ตัวเองเพราะยังมีหนี้ทางใจที่จะต้องชอดช้อยู่รำไปทาให้เกิดการการกาหนดหมายอารมณ์การสายไปของใจถือบั้จก็ทรงเตือนไว้อีกในยานหนึ่งว่ามัตุิราชือความตายนั้น จะตัดชีวิตดนตรีของบุคคลที่กำลังเพลิดเพลินมัวเลือกเก็บพวงดอกไม้ของมานอยู่เป็นการสอนให้เห็นที่เป็นรูปธรรมว่าการที่ปล่อยปล่อยกายปล่อยใจลหลงไหลไขว่ขวัญไขว้คว้ารัตนาเพลิดเพลินชึ่นมยินดีอยู่ในวัตถุ ก, กามทั้งหลายของโลกนั้นเหมือนคนที่เข้าไปสู่อุทยานดอกไม้ซึ่งมีดอกไม้นานาชนิด เดินเก็บดอกโน้นมองดอกนี้ชื่นชมดอกนั้นแต่วันเวลาทั้นได้ผ่านไปผ่านไปโดยลําดับถึงจุดหนึ่งเราก็แก่ตายไปในที่นั่นเด็ลักสนาคำสอนในแนวนี้จะสอนไว้เป็นนันมากเพื่อตอกยามเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจจะเป็นอย่างนั้น ก็จะได้เกิดการระวัตรระวังสัมโรมใจของตนเองไม่ปล่อยตกเป็นาธาตของอารมณ์ดอา น, นั้นมากเกินไปหายใจเป็นอิสระคือไม่เป็นนี่สิบัง้งเพราะจิตใจที่เป็นนี่นั้นจะเป็นจิตใจที่มีความวิตกกังวลอยู่ลึกๆเสมอไปเพรนี้เรสังเกตว่าพวกวัตถุกรรมที่มีการสแสวงหาแล้วก็ตอบสนองได้ถือครองอยู่นั้น เราอาจจะรู้สึกเพลิดเพลิอนอยู่ระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วจะมีความวิตกกังวลห่วงใยหวาดระแวงต่อภัยอันตรายต้องมีการป้องกัน ร, รักษาโดยประรการต่างๆแต่จะสิ้นเปลเงินทองเพิ่มขึ้นอีกเป็นอันมากยังต้องจ้างคนมาคุ้มครองรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินแล้วก็จริงบางทีก็เกิดภัยเกิดอันตรายจากเรื่องดันั้น พันสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วมันก็ให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ให้ความทุกข์มากกว่าอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าการนั้นให้ความสุขน้อยแต่ให้ความทุกข์มากเรามีทุกข์ตั้งแต่เกิดความอยากได้มีทุกข์ตั้งแต่การสแสวงหาดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายต่างๆเพื่อให้ได้ป่าถึงสิ่งเหล่านั้น แต่มาแล้วมีความยดยมยินดีเป็นช่วงสั้นๆแต่คิดเปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์วิตกกังวลนั้นจะมากกว่าเพราะในขณะที่ครอบครองถือครองหรือมีสิ่งเหล่านั้นติดตัวเราก็มีความวิตกกังวลอยู่และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันอันตรายเหล่านี้ก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นเิ็นว่าประดับประดาหรือเครื่องประดับที่มีราคาแพงๆเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ก็นำชีวิตใกล้ความตายเข้าไปใกล้ความบาดเจ็บเข้าไปใกล้ความสูญเสียเข้าไปและพอสิ่งโนั้นสูญเสียไปหรือวพิบัติไปก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาลักษณะต่างๆหรือว่ากิเลสสายของความโกรธที่มีลักษณะเก็บกดความรู้สึกด้วยความไม่พอใจความไม่ยินดีความขับแค้น ออกมาคาดความพยาบาทอะไรต่างๆที่จริงอาการเหล่านี้เป็นปริมาณของกิเลสเท่านั้นเองกิเลสก็คือกิเลสสายโทสะแต่ความเข้มข้นที่เกิดขึ้นภายในจิตในแต่ละขณะมีความแตกต่างกันพระเจ้าก็ทรงเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปเป็ น, นอันมากแต่เมื่อเรามองเป็นกลุ่มแล้วกิเลสกลุ่มนี้ก็เหมือนกับโรคภัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา หเหมือนน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านโรคภัยที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายจะเป็นครูสอนถึงโรคกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจได้อย่างดีเพราะเวลาเ้าเกิดเสียแทงขึ้นมานั้นเรามีความรู้ความทรมานมากเลยเกิแต่เทียบโรคคือกิเลสที่เสียแทงใจแล้วไม่ถูกจำกัดโดยการละเทศะ โรคที่เกิดขึ้นทางกายปัจจุบันมียาที่จะลดความปวดหรือบรรเทาความปวดหรือทําให้หลับไปได้แต่โรคกีเลิที่เกิดขึ้นเสียดแทงใจจะมีการแผดเผาเร่าร้อนรุนแรงจนสูญเสียความส ง, งบนอนไม่หลับกระสับกระส่ายสุขภาพกายก็เสื่อมตามไปในขณะที่สุขภาพจิตจมรู้สุดโสมลงไปมองดูเึงความโกรธที่เก็บอยู่ภายในใจ เราจะเห็นก่อนหน้านั้นก่อนที่ความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็มีความสงบเจือกเจนพอสมควรแต่พอความโกรธเกิดขึ้นมีกำลังมากก็จะเสียดแทงใจให้เกิดความเร่าร้อนมุ่งไปที่คนแล้วก็สืบเนื่องไปจากคนคนนั้นเช่นตัวอย่างที่ความโกรธซึ่งเกิดขึ้นแก่คนคนหนึ่งที่ธนน า, นาตาบิติกาเศรษฐีทักว่า คงเป็นคนเที่ยวกลางคืนแต่่เน็ตก็นอนคลุมโปงอยู่ริมศาลาทางเดินศาลาราิบทางเดินในนี้รู้สึกโกรธมากทั้งๆ ท, ที่เขาก็เป็นอย่างนั้นจริงเราก็เห็นธรรมชาติคนมนุษย์อย่างหนึ่งว่าเวลาคนทําชั่วนั้นทั้งๆ ท, ที่เขารู้เขาทําชั่วแต่ว่าใครรู้ว่าเขาทําชั่วไม่ได้ก็จะโกรธคนนั้นใครพูดว่าเขาทําชั่วไม่ได้ก็จะโกรธ แต่ถ้าใครยกย่องเขาเป็นคนดีเขาชอบทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําความดีนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์นายคนนี้โกรธทานานาทบินิกาเศรษฐีแต่ก็ทําอันตรายอะไรไปได้ใจมันก็สายไปหาทางระบายความแค้นที่เกิดขึ้นภายในใจเป็นลักษณะความโกรธที่เกิดสืบเนื่องมาจากความโกรธหมายความว้าโกรธจริงๆนั้นก็คือโกรธทานานาทบินิกาเศรษฐีแต่ว่าทําอะไรท่านไม่ได้ ก็มองไปที่ทรัพย์สมบัติของท่านเมาที่เลือกส่วนรายนาของท่านจนถึงก็ไปตัดเท้าโขของท่านได้หลายตัวเป็นการระบายความโกรธที่ตนมีต่อท่า น, นาธาธิดนิกศสิตีจนถึงก็เผานาของท่านรู้สึกยังไม่หนำใจภาษาแก่ใจก็ไปเผาคันตะกุดีที่ท่านสร้างถวายพระพุทธเจ้าเสียด้วย นี่คือลักษณะของกิเลส ท, ที่มันลุกลา ม, มาบานปลายออกไปเรืแต่ถ้าเรามองให้เห็นถึงโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในจุดหนึ่งแต่ก็มีโรคแทรกซ้อนโรคประเภทเดียวกันในโรคแทรกซ้อนขึ้นมาในโรคที่สืบเนื่องกันไปก็กลายเป็นโรคสารพัดโรคที่จริงมันก็เริ่มเสียสูญจากจุดใดจุดหนึ่งมาก่อน เมลุกลามากกินเกินแต่ไหรร่างกายเราก็สุดโซมจิตใจก็สุดโศกตายไปแต่วสถานกิเลสก็เป็นเช่นนั้นการมองเห็นโทษสงชายตํานูนค่อนข้างจะบาลีว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นคุณโดยความเป็นคุณที่มันเกิดเป็นปัญหามากก็คือว่าสิ่งที่เป็นโทษเรากลับมองเห็นว่าเป็นคุณแต่สิ่งที่เป็นคุณก็กลับมองเห็นว่าเป็นโทษ ใกล้ๆกับยาขมก็ไม่อยากจะรับประทานไม่อยากกินกินคือรังเกียจในความขมแต่ไป ม, มองเห็นคุณของการบำบัดโรคซึ่งมีอยู่ในความขมนั่นเองตามปกติแล้วการควบคุมจิตใจของเราให้เดินไปในกระแสของธรรมะนั้นจะต้องใช้ความเพียรมากใช้ความประหยัดมากแต่ไปใช้เวลาบางปริมาณสติสัมจัญญาจะต้องเพิ่มพูนขึ้น บางคนรู้สึกว่ามันเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องต้านทานอารมณ์ก็กิเลสมากไลยเกินสู่มันไหลไปตามกิเลสไม่ได้สบายดีจะตรงใช้ในรูปที่เป็นรู ป, ปรธรรมบังคนเที่ยวกลางคืนเตะเทิงที่ไหนไปที่นั่นดิสีที่เป่าที่ไหนไปที่นั่นเต็นร์ำที่ไหนไปที่นั่นกับร้องที่ไหนไปแต่คือไหลไปเรื่อยๆลักษณะไหล คือคนจะรู้สึกว่าคล้ายๆสบายดีเรทํานองที่ตรงอุปมาเหมือนกับกินอ้อยที่ยอดมันหวานแต่ว่าข้างล่างมันก็มียาพิษเดืออยู่ในตอนนันหวานมันก็เพลินดีแต่ว่าตอนเป็นพิษแล้วอันตรายต่างๆนั้นสูตรที่จะนับกะประมาณได้ทางการไหลไปตามกระแสของกิเลสคนอาจจะรู้สึกว่าง่ายสะดวกดีสบายดี แต่ว่าความทุกข์ในบ้านปลายนั้นจะมากปลายสุดที่จะประบาดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาบลักษณะใดในตรงนี้เราอาจจะคิดเลยไปถึงว่าชีวิตเราคล้ายๆกับปีดุลของธรรมชาติอะไรอยู่คือคนเราทัานเริ่มพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองด้วยความเหนื่อยไม่คำนึงถึงวความเหนื่อยยากลำบากก็เรียกว่าเอาทุกข์ต่างๆมาใช้ซะก่อน เราจะได้สุขเมื่อตอนปลายเช่นว่าขยันมันเพียรตั้งใจศึกษาแล้วเรียนเอาจริงอดจงังตั้งใจทำงานไม่ยอมคำนึงต่อความเหนื่อยยากลำบากจากกรในกิจการงานเหล่านั้นขวาวานอุปสรรคการายไปได้ถึงยุหนึงก็สบายตอนปลายก็มีความสุขเหลือใช้มากมายแล้วก็เผื่อแพ่ไปถึงลูกถึงหลานคือให้ความสุขตอนน้นไปถึงลูกถึงหลานด้วยก็เป็นการสะสมมรดก อะดุกที่ดีงามเพื่อให้ลูกหลานสกุลวงศ์ได้รับถ่ายทอดกันไปแต่ถ้าพวกที่ไหลไปตามกระแส ก, กิเลสกระแสกวารุ่มหรือมุ่งสนองตอบความต้องการของตนมากเกินไปเดี๋ยวรู้อำนาจแก่รมความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีแต่วความทุกข์ความเดือดร้อนเดี๋ยวก็ลูกหลานเอง ก็พลอยรับความเดือดร้อนตามไปด้วยเป็นการสร้างบรดกบบาปให้แก่วงสารขญาติเชื้อสายสกุลบง่งเป็นภาพชีวิตที่เราเห็นกันอยู่ทั้งสองกลุ่มตือกลุ่มที่ทวนกระแสกิเลสได้กับกลุ่มที่ไหลไปตามกระแสของกิเลสก็กลายเป็นเกาะกลุ่มกันสืบเชื้อสายวงบานว่านเครือกับบนไปโดยทับจนกลายเป็นความยึดติดในกลุ่มคนเหล่านั้น เนพวกวันในสูตรซึ่มีอยู่ในประเทศอินเดียปัจจุบันก็มีมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยนั้นก็ไม่มากเทา่าไรสมัยนี้มีถึง80ดสิบล้านเป็นจานวนประช า, ากรที่ไม่มีคุณภาพเป็นภาระแก่สังคมเพราะบรรพชนแต่ลูกแ ต, กแตก่สมัยนั้นสร้างสืบทอดมรดกบาปแล้วก็ถ่ายทอดมรดกบาปมาถึงลูกถึงหลานได้ เคยตกตามเดือด ร, ร้อนก่อนสมัยพุทธกาลอย่างไงสมัยพุทธกาลอย่างไรสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีตระกูลพราหมณ์ตะณระกูลเศรษฐีตระกูลมหาราชาต่างๆที่ถ่ายทอดมาก่อนพุทธกาลเหมือนกันแต่เขาก็อยู่ดีมีสุขมาหลายชั่วอายุคนนั่นคือกระแสของกิเลสกับกระแสของธรรมะที่เราเห็นว่าไหลขึ้นมาสร้างเป็นกลุ่มคนขึ้นมาสองกลุ่มจํานวนมหาศาลในโลกนี้ แต่เราเทียบเคียงก็จะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนนี้ไหลยตามพระหนากิเลสนั้นมากกว่าไหลทวนกระแสกิเลสแต่ว่าตามกระแสธรรมะนั้นจะมีจํำนวนน้อยกว่าเพราะเราดูได้ทุกจุดว่าคนที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาและเรียนจะมีจํานวนน้อยกว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในการศึกษาและเรียนคนสามารถปฏิบัติพุทธาตนเองให้มีความสงบความประนีตเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะมีน้อยกว่าคนที่ ปฏิบัติได้ในลักษณะนั้นโดยคนที่ร่ํารวยจะมีน้อยกว่าคนที่ยากจนจนถึงกับคนที่สัมผัสผลสูงสุดนั้นยิ่งน้อยนิยนดถึงไปก็ เ, เอาก็จริงๆแล้วผ้าชีวิตมันก็ไหลไปตามกระแสกิเลสมากกว่าไหลไปตามกระแสของธรรมะอะไรเพราะว่าการไหลไปต า, ามกระแสของธรรมะนั้นจะต้องทวนกระแสกิเลสได้ด้วย จะทำให้บุคคลด้านทานกิเลสไม่ได้เพราะลักษณะทางอารมณ์สังคมที่เราเกี่ยวข้องอยู่นั้นมีแรงผลักดันให้เกิดกิเลสเยอะมากกว่าเกิดธรรมะนันการศึกษาการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเกิดความสงบขึ้นภายในใจอย่างน้อยก็สงบสยบอำนาจของพวกมาทั้งหลายลงไปได้ ปัญญาจะต้องพิจารหินโทษของกิเลส ช, ชัดเจนเห็นคุณของธรรมะชัดเจนได้เพียนพยายามที่จะเสริมสร้างธรรมะขึ้นภายในจิตและธรรมะที่บังเกิดขึ้นนั่นเองนอกจากจะแสดงสถานะของตนเพิ่มปูนความสุขความส ง, งบภายก่จิตแล้วยังจะทําหน้าที่กระจัดกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับตนออกไปด้วย ยังกิเลสสายโลภะถ้าว่าเรามีน้ำใจเสียสละยกตัวอย่างว่ามีเมตตาแต่ข้อเดียวเมตตาที่บังเกิดขึ้นนั้นไม่ได้ขจัดจเฉพาะกิเลสสายโลภะแต่ขจัดกิเลสสายโทสะกิเลสสายโมหะได้ด้วยคราวนี้ทุกท่านย่ยวมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนตนเองว่าเราสามารถที่จะให้อะไรแก่ใครได้เป็นจรวดมาก หากว่าเรามีความรักความเมตตาต่อคนนั้นเราสามารถที่จะไม่ถือสาความมีความอดกลั้นความอดทนการให้อภัยต่อคนที่ก้ราวร้าวลุ่มเกินเราหากว่าเราเมตตาต่อคนนั้นแสดงว่าในขณะนั้นเมตตาก็ทําหน้าที่กระจัดโลภะทำหน้าที่กระจัดโทสะแต่การที่จิตเรามีเมตตาก็แสดงว่ามีปัญญาเกิดขึ้น กระทำหน้าที่ขจัดโมหะออกไปธรรมะปฏิบัติในแนวภาวนาที่มีการศึกษาปฏิบัติกันอยู่นั้นเป็นการมุ่งในการเพิ่มพูนปริมาณธรรมะโดยธรรมะที่เพิ่มพูนนั่นเองจะทำหน้าที่ขจัดปัดเปล่าลดความรุนแรงของกิเลสลงไปกิเลสมารก็บรเทาลงไปอภิสังขารมารคือบาปมันก็ลดตามลงไป เพบาปเมื่อเกิดขึ้นจะ ก, กิเลสการกระทำก็จะเป็นบุญสูงขึ้นขันธมารคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ก็จะมีปัญญาข้อกํากับสรวจสอบดูควรจะยึดถือหรือไม่ยึดถือแล้วก็บรรเทาความยึดถือในเรื่องบาเรื่องลงไปอย่างน้อยก็ปรับใจให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของสิ่งเหล่านั้น เกิดขึ้นเราก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นดำรงอยู่ก็ใช้ประโยชน์ในขณะ ด, ดำรงอยู่เสื่อมสลายไปก็ยอมรับมันเสื่อมสลายไปใจมีปัญญารู้เท่าทันเรงความจริงของสิ่งเหล่านั้นการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายก็จะลดลงไปแม้มัจจุบานจะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยความประมาทเผล อ, อพลั้งพลาดของเราเอง หรือประการเกี่ยวข้องสมาคมกัคนเลวที่สร้างนำไปปิบัตรมาให้แต่จะเป็นการตายโดยธรรมชาติธรรมดาเป็นการตายของคนที่ไม่รู้สึกกลัวต่อการตายหรือไม่กลัวต่อการโลกเพราะว่าเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ได้สะสมอกรมออกไ้การรู้เท่าทันถึงมารทั้งหลายในลักษณะดังกล่าวแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรง ของอุปสรรคของอันตรายต่อวากน้ำและชีวิตต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป